ประเสริฐคนโดยมากเมื่อเชื่อว่าโอปปัตติสามีจริงก็มักจะเชื่อเกินขอบเขตเช่นเชื่อในเรื่องอภิิหารต่างๆเข้าใจว่าเทวดาหรือพูดผีปีศาจจะบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ซึ่งส่วนมากก็อาจจะผิดวิสัยธรรมดาและเชื่อกันอย่างงมงายเช่น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็ไปบวงสวงอ้อนวอนขอให้ท่านบรนดาลให้หายหรือขอให้ช่วยบอกอยาให้หวังถูกลอตเตอรี่ก็ไปขอให้ท่านบอกหรือขอให้ช่วยบรรดาลให้ถูกอยากมีลูกอยากมีเงินอยากให้ชนะคดีอยากให้สอบไล่ได้อยากไปเมืองนอกอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างรวมความว่า ไม่ว่าตนเองมีความปรารถนาอะไรก็เชื่อว่าท่านจะบันดานให้สำเร็จได้เสียทุกอย่างซึ่งความเชื่อถือในลักษณะเช่นนี้เป็นไปได้น้อยเหลือเกินแต่ถึงกระนั้นคนที่เชื่ อ, อย่างงมงายในเรื่องเหล่านี้ก็ยังเชื่ออยู่นั่นเองทั้งที่ตัวอย่างเห็นได้ชัดอยู่เสมอว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วขอให้ท่านช่วยนั้น หลายสิบครั้งหรือหลายร้อยครั้งทีื่จะสมปรารถนาสักครั้งหนึ่งและในกรณีที่สมความปรารถ น, นานั้นก็ไม่ได้พิสูจน์กันให้แน่ชัดลงไปว่าเป็นเพราะท่านบรรดาให้จริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นอยากสอบไล่ได้แล้วทำพิธีบวงสวงให้หลวงพ่อหลักเมืองหรือหลวงพ่อวัดพระแก้วช่วย เทพเจ้าที่ศิลสิทิ์อยู่ที่หลักเมืองและที่วัดพระแก้วเป็นพระไม่ใช่พราะว่าครั้นแล้วผู้นั้นก็สอบไล่ได้ในกรณีอย่างนี้ถ้าพิจารณาถึงเหตุผลกันให้ทองแท้แล้วท่านจะมาช่วยได้อย่างไรเว้นไว้แต่เมื่อเราเชื่อว่าท่านช่วยให้สอบไล่ได้แล้วเกิดความสบายใจ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองข้อ น, นี้อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สอบได้แต่ในการจะเชื่อว่าท่านจะบรรดาลให้ได้ทั้งที่ความรู้เราไม่พอและขี้เกียจด้วย น, นั้นอย่างนี้เป็นความงมงายอันที่จริงก่อนที่ข้าพเจ้าคิดจะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ตรหนักอยู่แล้วว่า ผลร้ายของการเปิดเผยเรื่องนี้มีอยู่หลายอย่างเช่นจะเป็นทางให้คนที่เชื่ออย่างงมงายอยู่แล้วกลับงมงายยิ่งขึ้นและคนที่ยังไม่เชื่อพอเชื่อแล้วก็มีทางเป็นคนงมงายได้ง่ายและยังเป็นช่องทางให้พวกทุจริตคิดหลอกลวงคนอื่นด้วยเรื่องการเข้าทรงถือโอกาสหลอกคนโง่โ ง, งได้มากขึ้น ข้าพเจ้าเคยเห็นและเคยทราบอยู่เสมอข้าพเจ้าเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่มากเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าความเชื่อถือในเรื่องอภิญิหารและอะไรต่ออะไรหลายอย่างนั้นส่วนมากเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าเองใกล้ชิดอยู่กับเทพเจ้าหลายองค์ทั้งที่ได้ติดต่อกับท่านอยู่เสมอและรู้จักพูดผีปีศาจก็มากมาย แต่ไม่เคยเห็นอภิิหารใดๆอย่างที่คนเขาเชื่อกันเลยการที่ข้าพเจ้าพยายามคิดหาทางเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาความประสงค์ที่แท้จริงอยู่ที่ต้องการใช้ให้โลกได้รู้ความจริงว่า 1. ความตายไม่ใช่ความสิ้นสุดของชีวิต 2. ชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นจากพ้อมแม่ แต่ทุกคนมีอดีตมาแล้วก่อนที่จะมาเกิดในท้องแม่ 3. บุญและบาปเป็นอำนาจลึกลับที่คอยควบคุมโชคชะตาของคนเราทุกคนให้เป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ไม่มีคนใดหลีกเลี่ยงได้แต่เรื่องนี้เข้าใจยากมากเว้นไวแต่จะเข้าใจเรื่องชีวิตของโอปปติกะดีแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจถึงอำนาจของบุญและบาปที่ควบคุมโชคชะตาของมนุษย์ได้ดีเพราะชีวิตในโลกของโอปปาปติกาเป็นชีวิตที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของบุญและบาปอย่างเห็นได้ชัด 4. ส, สิ่งที่มนุษย์ควรกลัวไม่ใช่อำนาจของกฎหมายหรืออำนาจอะไรอย่างอื่นแต่ที่แ้คือบาป หรือความชั่วที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งที่มนุษย์ควรส่อแสแวงหาเพิ่มฟูให้มากไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สมบัติใดๆไม่ใช่เกีดยรติยศหรืออำนาจอกทธิพลใดๆแต่ที่แท้คือบุญกุศลหรือคุณธรรมความดีต่างๆเพราะบุญและบาปนั้นเป็นสิ่งที่ติดตามวิน ญ, ญานไปได้ทุกผลทุกแห่ง บุญและบาปนี่แหละเครืออำนาจบรรดาลที่สูงกว่าอำนาจบรรดาลของเทพเจ้าใดๆและถ้าหากว่าจะมีพูดผีปีศาจ ต, ตนใดทำร้ายเราก็พึงเข้าใจเถิดว่านั่นเป็นเพราะบาปในตัวของเราชักจูงเข้ามาและในธรรมนองเดียวกันถ้ามีเทพเจ้าองค์ใดคอยให้ความช่วยเหลือ นั่นก็เป็นเพราะความดีในตัวของเราเองทำให้ท่านเกิดความเมตตาปราณีเรียกร้องให้ท่านมาช่วยเหลือกฎของกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นกฎความจริงที่ไม่เคยยกเว้นใครเลยแม้แต่เทพเจ้าทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้เป็นไปตามกฎอันนี้ ซึ่งกคนในโลกส่วนมากเชื่อกฎของกรรมกันอย่างเคร่งครัดแล้วคนในโลกนี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสงครามและการเบียดเบียนกันในรูปต่างๆจะหมดไปจากโลกและทั้งจะเป็นทางช่วยกฎหมายที่ออกมาด้วยความเป็นธรรมนัน้นมีผลในทางบังคับให้คนทำตามง่ายขึ้น คนที่รู้จะไม่คิดหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้กฎหมายไปในทางเอาเปรียบคนอื่นและคนที่มีความรู้เช่นเป็นหมอหรือเป็นนักผลิตหรือเป็นนักก่อสร้างคนเหล่านี้ก็จะพยายามใช้ความรู้ความสามารถไปในทางสร้างสรรคิสุ์สร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยแท้จริง 5. ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแตอย่างใดเลยเว้นไว้แต่จะเป็นการตายในความชั่วแต่ความตายยังเป็นสิ่งที่มีคุณเป็นสิ่งที่ควรจะต้อนรับไว้ด้วยความยินดีในเมื่อถึงคราวเพราะความตายเท่านั้นที่จะช่วยเปลี่ยนสังขารที่เก่าแก่คร่ำคร่าให้เป็นสังขารที่สมบูรณ์ และช่วยคนที่ได้ประกอบคุณความดีต่างๆไว้ให้ได้รับผลจากความดีของตนเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้อความสั้นๆห้าข้อดังที่กล่าวมานี้เป็นวัตถุประสงค์ส่วนน้อยที่ต้องการให้โลกรู้ส่วนวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการจะให้โลกได้รู้นั่นคือคำสอนในพระพุทธศาสนา เท่าที่จารึกไว้ในคำพีน่นันแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคำสอนที่ถูกต้องบริสุทธิ์และบริบูรณ์พร้อมทั้งอัตถะและพยาญชนะส่วนใดที่ปัญญาของเรายังแข็งไม่ตลอดโปรดอย่าคิดง่ายๆว่าส่วนนั้นไม่จริงพวกนักปราดได้เขียนขึ้นในท้ายหลังแล้วบรรจุลงไปว่าเป็นพุทธพจน์อะไรทำนองนี้ งอยู่แม้คำในคำทีที่มีหลักฐานว่าเป็นสุตป์จะได้บอกไว้ว่าอย่าเชื่อคำทีก็ตามแต่ถ้าเราทั้งหลายจะพากันคิดง่ายๆเพราะความรู้ไม่ถึงเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างใหญ่หลวงทีเดียวคนที่ไม่รู้จักค่าของโบราณวัตถุชิ้นสำคัญแล้วทำลายเสีย แม้ว่าจะเป็นความเสียหายยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามนั่นก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับผู้ที่ได้บวชเรียนในทางาศาสนาจนใครๆยกย่องว่ามีความรู้ดีแต่กลับลบล้างพุทธพจน์ที่ตนเองแทงไม่ตลอดด้วยการคิดในทำนองดังที่กล่าวมานั้นาศาสนาเป็นสิ่งที่มีคุณต่อโลกมากมาย เป็นเสมือนหนึ่งดวงอาทิตย์ซึ่งโลกจะขาดเสียนี่ได้แต่ศาสนาเป็นของลึกซึ้งยากแก่การที่จะรู้แจ้งแทงตลอดให้ทั่วถึงสาระสำคัญที่แท้จริงของพระพุทธศ า, าสนาอยู่ที่การเอาชนะกิเลสหรือการทำตนให้พ้นจากความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสและสาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทําใจให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งในทางตรงและในทางอ้อมและให้พยายามใช้ความรู้ความสามารถและทรัพย์สมบัติต่างๆไปในทางสร้างสันติสุขสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กันและกันวัตถุประสงค์เช่นนี้เป็นวัตถุประสงค์ของาศาสนาทุกาศาสนา แต่คนทำตามได้ยากเว้นไว้แต่จะมีสิ่งจูงใจให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเท่านั้นคนเราจึงจะทำตามการเปิดเผยเรื่องโอปปาปิกะให้โลกรู้จนยอมรับกันทั่วไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจะเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึง่งซึ่งมีกำลังมากพอที่จะดึงความสนใจของคนในโลกปัจจุบัน ซึ่งกำลังหลงไหลยอยู่แต่เรื่องวัตถุให้หันกลับมาสนใจเรื่องจิตใจเรื่องศาสนาสัมมาจนทําให้โลกมีความสมดุลเกิดขึ้นในทางวัตถุและในทางนามธรรมาซึ่งเมื่อใดโลกเป็นเช่นนี้โลกก็จะพ้นจากภัยสงครามมหาประไลยัยและจากลัทธิอุบายต่างๆที่จะทําให้คนส่วนใหญ่หมดเสรีภาพ หรือทำให้ต้องตกเป็นทาสในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจอันหนึ่งการเปิดเผยเรื่องโอปปปฏิกะให้โลกรู้นอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้วยังจะมีผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งกล่าวคือจะทำให้ศาสนาต่างๆรวมกันได้เมื่อใดโลกยอมรับว่าโอปปปฏิกะมีจริง องค์การทางศาสนาในทํานององค์การสหประชาชาติจะบัติขึ้นแล้วศาสนาจะเริ่มมีอิทธิพลในทางสังคมอย่างแท้จริงแทนการเมืองซึ่งเวลานี้มีอิทธิพลอย่างมากมายซึ่งเป็นเรื่องแปลกและน่าคิดมากถ้าโดยธรรมดาในสังคมใดถ้าคนที่มีกิเลสมากและมีความฉลาดมาก มีที่พนเหนือคนอื่นมากส่วนคนที่มีกิเลสน้อยเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแต่ไม่มีที่พนจูงใจคนอื่นให้ประพฤติชอบสังคมนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนสันติสุขในสังคมหาได้ยากศาสนาควรจะมีที่พนในสังคมอย่างเพียงพอทั้งรัฐบาลและประชาชน ควรจะหาทางให้ศาสนาได้มีที่พลยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อีกหลายเท่าโลกจึงจะดมดวงอยู่ได้อย่างสันติแต่คําว่าให้ศาสนามีที่พลตามที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงจะต้องให้พระหรือนักการศาสนามีที่พลเหมือนกับนักการเมืองอะไรทํานองนี้ แต่ข้าพเจ้าหมายถึงว่าทำอย่างไรจรึงจะให้คำสอนของศาสนาต่างๆไม่เฉพาะแต่ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นได้มีที่พลเหนือจิตใจของประชาชาติของโลกอย่างแท้จริงให้โลกยอมรับปฏิบัติ ด, ด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยการบังคับซึ่งถ้าหากเมื่อใดโลกเป็นเช่นนี้ โลกก็จะดมรงอยู่อย่างสันตินักการเมืองนักการศึกษาควรจะตระหนักในเรื่องนี้ให้มากพระประวัติศาสตร์ของโลกได้พิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าในสมัยใดศิลธรรมในสังคมเจริญในสมัยนั้นเท่านั้นที่คนเรามีความสุขกันอย่างทั่วถึง ส่วนในสมัยใดแม้จะมีคนเก่งกล้าสามารถในทางต่างๆอยู่มากมายความเจริญในด้านต่างๆมีมากแต่ทาศลธรรมในสังคมไม่เจริญแล้วในสมัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนการเปิดเผยเรื่องโอปปจิกะให้โรครู้แม้ว่าจะมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย ในอันที่จะจูงจิตใจประชาชนของโลกให้หันมาสนใจกับศาสนาได้ยินดีปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมในศาสนาด้วยศรัทธาซึ่งในที่สุดก็จะมีผลทำให้คนในโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ด, ดังกล่าวมาแล้วจริงแต่ก็พึงเข้าใจไว้ด้วยว่า โอปปาีิกะแม้จะเป็นชั้นเทพเจ้าก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐของโลกความเป็นอยู่ของคนในโลกไม่ควรจะแขวนไว้กับความเชื่อในเรื่องอภิญหาณต่างๆของเทพเจ้าเพราะการกระทำเช่นนั้นส่วนมากจะมีความงมงายแฝงอยู่กับความเชื่อเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์เลยแม้แต่น้อย ที่จะให้คนมาสนใจกับเรื่องอภิิหารต่างๆซึ่งข้าพเจ้ารู้อยู่ว่ามีอยู่บ้างเหมือนกันตามที่คนทั้งหลายเชื่อถือแต่มันจะเป็นความฉลาดหรือในเมื่อเราเป็นคนซึ่งควรจะหันหน้าไปพึ่งคนด้วยกันแต่กลับไปพึ่งสิ่งซึ่งตาของเรามองไม่เห็นพูดกับท่านโดยตรงก็ไม่ได้ สุดแล้วแต่คนกลางจะบอกให้นานและส่วนมากก็ไม่ค่อยจะได้พิสูจน์กันให้แน่ชัดข้าพเจ้าเห็นว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นความฉลาดและไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับคนในโลกและข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้าหากความเชื่อในเรื่องโอปปาติกาแทร่หลายมากออกไปแล้วในแม่ช้า ประชาชนจะต้องถูกมนุษย์ที่อ้างตัวว่าติดต่อกับโอปปติการได้หลอกลวงให้งม ง, งายแล้วผลร้ายต่างๆจะติดตามมาไม่น้อยแม้โดยธรรมดาคนที่จะติดต่อกับโอปปติกาได้จริงจะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงความคิดที่จะหลอกลวงคนอื่นมีไม่ได้ก็จริงอยู่ แต่เรื่องอย่างนี้คนที่ฉลาดบางคนเรียนแบบได้ตบตาคนอื่นได้ใน่ยากฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับประชาชนที่จะแยกแยะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง อีประการหนึ่งคือคนที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้มักมีความเพ้อฝัน ม, มากความคิดที่จะพึ่งตนเองมีน้อยความคิดที่จะหาทางเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองและด้วยวิธีที่แน่นอนอย่างเช่นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็มีน้อยซึ่งถ้าหากประเทศใดมีคนประเภทนี้มาก ประเทศนั้นจะต้องล้าหลังอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะส่งเสริมให้คนเชื่อกันย่งผิดทางและเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งเตือนไปแล้วขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดูคำต่อไปนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้คัดเอามาทั้งคำบาลีด้วยเพื่อให้ท่านแน่ใจว่าเราควรจะเชื่อในเรื่องโอปาปทิกะกันแค่ไหน และอะไรคือที่พึ่งอันประเสริฐของโลกพหุงเวสรนังยันติปรับพัตนิวานานิจะอารามารุขเจตยานิมนุษสาพยตัตขิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสารณามุตตมังเนตังสารณามารมะสัพพะทุขาปมุต จ, จติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสระนังขโตจัตตาริอริยสัจญานิสัมมัปปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจัาติกมังอริยจัตถังที่กล า, างมัชคังทุกขูปะสมะขามินลังเอตังโขสระนังเขมังเอตังสรณนามุตตัง เอตังสารนามาคัมมะสัพพทุขาประมุะตจติมนุษย์ส่วนมากในเมื่อถูกภัยคุกคามหรือเกิดความกลัวหรือต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการลูกเป็นต้นก็มักพากันไปยึดถืออภูเขาป่าไม้อารามหรือลูกขจดีที่ตนเองถือว่าศักดิ์สิทธ มีแท้พระเจ้าสิงสถิตยอยู่เป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะคนใดที่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนคนใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและภาริยะสงสาวกแล้วถือเอาเป็นที่พึ่ง และเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจ ส, สีด้วยความเข้าใจอันถูกต้องกล่าวคือเห็นแจ้งซึ่งทุกเกตให้เกิดทุกความดับทุกขและอริยมรรคมีองค์แปอันเป็นทางให้ถึงซึ่งความดับทุกสิ่งนี้แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะคนใดได้ใส่สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ คุตโพธ์ที่อ้างมานี้หวังว่าคงจะเป็นการเตือนสติของผู้ที่หลงหลายเชื่อถือในเรื่องการเท่าทรงหรือเชื่อในเรื่องอภิหหารต่างๆของเทพเจ้าได้เป็นอย่างดีโดยส่วนตัวแม้ข้าพเจ้าเองจะใกล้ชิดกับเทพเจ้าหลายองค์ติดต่อกับผู้ถีทีศาสได้แต่ก็ยังไม่เคยเพบปาฏิหาริย์ใดๆ อย่างที่คนเขาเล่าลือกันข้าพเจ้าได้รับแต่เพียงสติปัญญาบางประการที่ท่านแนะนําให้ส่วนประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือทําให้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจว่าความตายไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตบุญและบาปเป็นอานาจบรรดาลที่อยู่เหนืออํานาจของเทพเจ้าหรือพูดผีปีศาจใดๆ เพราะแม้แต่เทพเจ้าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของกรรมท่านไปเกิดเป็นเทพเจ้าก็เพราะบุญกุศลที่ได้สร้างสมบกบรณไว้บางคนที่ตายไปต้องไปตกรกรรมลำบากต่างๆก็เพราะบาปกรรมที่ตนเองทำไว้ไม่มีใครทำให้จุดประสงค์ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจอย่างนี้ ไม่ใช่ต้องการให้คนทั้งหลายงงงันเชื่อถือในเรื่องอภิญฐารต่างๆเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าเรื่องที่เขาเล่ากันนั้นเป็นไปได้ยากหรือเกินเว้นไว้แต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าข้าพเจ้าประสบด้วยตนเองก็จะได้บอกให้ทราบใหม่แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเห็นว่า ค่อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัส ด, ดังต่อไปนี้เป็นคำที่มีค่าล้ำเลิศและลึกซึ้งซึ่งควรกะความสนใจอย่างยิ่งกล่าวคือผู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและภริยาสงสาวกแล้วถืออเป็นที่พึ่งและเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจดีด้วยความเข้าใจันถูกต้อง สิ่ง น, นี้และเป็นที่พึ่ง อ, อันเกษมเป็นที่พึ่ง อ, อันสูงสุดเพราะคนใดได้ใส่สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้คำว่าเข้าถึงหมายความว่าได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าถึงจิตใจของพระพุทธเจ้า รู้จักพระพุทธเจ้าในสภาพของนามธรรมาได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งเข้าใจธรรมและเข้าใจชีวิตของภาริยะตัวกได้อย่างแจแจ้งเชื่อและเลื่อมใสาตามที่กล่าวไว้ในบทสวมดมนต์คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นทุกประการคำว่าถือเอาเป็นที่พึ่งหมายความว่า ในการดำเนินชีวิตประจำวันจะพูดจะทำหรือจะคิดอะไรก็ตามพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระอริยะสงสาวกเป็นหลักในการพูดในการทำในการคิดทุกอย่างเท่าที่สามารถจะเรียนแบบได้คาว่าเห็นแจ้งซึ่งอริยศัสตร์ดีด้วยความเข้าใจอันถูก ต, ต้อง หมายความว่าเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งและถูกต้องว่าโดยปกตินิสัยธรรมดาของผู้ทุชนเมื่อมีอะไรหรือเป็นอะไรหรือได้อะไรก็ตามก็ย่อมจะมีตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้นเช่นพ่อแม่ที่มีลูกเมื่อยังไม่มีลูกความรักลูกความยึดถือในลูกก็ยังไม่เกิด แต่พอมีรูปขึ้นมาแล้วย่อมอดใจไม่ได้ที่จะไม่รักและไม่ยึดถือใน่ทรนองเดียวกันนิสัยธรรมดาของคนเราเมื่อมีร่างกายมีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงมีสติปัญญามีความสุขหรือมีอะไรนอกจากนี้ก็ตามเกิดขึ้นกับตัวก็ย่อมจะต้องมีความรักและความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ จะห้ามใจไม่รักและไม่ยึดถือทำด้ยากและเมื่อความรักความยึดถือเกิดขึ้นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะต้นเหตุแห่งความทุกข์ก็คือความรักและความยึดถือตัณหาอุ ป, ปาทานจะละทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อแก้ไขที่ต้นเห ต, เหตุเหล่านี้ไม่ใช่ไปอ้อนวอนหรือบวงสรวงให้เทพเจ้าช่วย พราะตราบใดที่ตนเองยังแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ได้ใครๆก็ไม่อาจช่วยให้พลนุกได้และวิธีแก้ที่ได้ผลแน่นอนก็คือปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปผู้ที่เห็นแจ้งอริยสัจย่อมีความเข้าใจและปฏิบัติตามเช่นนี้และด้วยวิธีการเช่นนี้เท่านั้น ที่จะช่วยคนเราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการยึดถืออภูเขาหรือป่าไม้เป็นต้นเป็นที่พึ่งซึ่งหมายถึงการยึดถือเทพเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ในที่นานๆเป็นที่พึ่งดังที่คนสมัยโบราณหรือในสมัยปัจจุบันกระทาอยู่มั้นจึงไม่ใช่ที่พึ่งอนกระเส ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดคนเราจะพ้นจากทุกข์เพราะอาศัยการยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะได้เข้าใจเรื่องเทพเจ้าถูกต้องและยึดถือไว้เท่าที่มีเหตุผลอันสมควรไม่งมงายซึ่งโดยความจริงเทพเจ้าทั้งหลายก็ช่วยมนุษย์ได้มากเหมือนกัน เช่นช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายบางอย่างให้ช่วยบรรดาให้หายจากโรคภัยบางอย่างได้ช่วยแนะนำให้สติปัญญาบางอย่างได้ดังนี้เป็นต้นแต่น่าจะหมายถึงว่าท่านจะต้องติดต่อได้เองหรือจากคนกลางที่เชื่อถือได้จริงๆรงรวมทั้งเทพเจ้าที่ท่านติดต่อ น, นั้นจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วย หึ่งพึงเข้าใจไว้ด้วยว่าพวกโอปปติกาชั้นเทพเจ้าคือชั้นโทมบางองค์เป็นมิจฉาทิฐิก็มีดังเรื่องที่ปรากฏในคำพีว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานพงบางองค์ให้ละจากมิจฉาทิฐิก็มีดังนี้เป็นต้นก็ในเมื่อแม้แต่เทพเจ้าบางองค์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิยังมี ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ติดต่อกับโอปปะปิกะได้นานถ้าไม่รู้จักผู้นั้นดีไม่รู้ว่าเป็นใครที่มาติดต่อด้วยถ้าบังเอิญไปคบกับโอปปะปิกะชั้นต่ำเข้าซึ่งมีความเห็นผิดและมีความประพฤติไม่ดีก็จะเข้าอยู่ในลักษณะคบคนพาลและช้ยิ่งนับถือมาก เขาบอกอะไรเชื่อหมดทุกอย่าง mm hmm. ก็ยิ่งจะมีความงงงายมากขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะติดต่อกับโอปาปติกาซึ่งเป็นชีวิตที่เรามองไม่เห็นตัวพูดกันโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านคนกลางนั้นจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะก็คือจะเชื่ออะไรใครจะพูดก็ตาม ก็ต้องทดสอบให้แม่นอนเสีก่อนว่าจริงหรือไม่จริงแค่ไหนควรจะทำสถิติไว้แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าหลักวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องโอปะปะจิกะตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นควรจะศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียดรวมทั้งทำข้ออื่นๆด้วยถ้าทำ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละจะเป็นดวงประทีปส่องให้เรารู้ผิดรู้ถูกทำให้เราไม่หลงงงงายในเรื่องเหล่านี้รายการเสียงธรรมเรื่องผีและเทวดามีจริงจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนาสุวรรณยุติเพียงเท่านี้ Yeah.